เชาวชาวอย่างนี้ก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สามเณรรวมทั้งแม่ชีอุบาสกบาิกาที่มา ป, ปฏิบัติขอให้ทุกท่านทั้งหลาย จงรวบรวมกาลังใจใจก็คือจิตที่เราได้เสื่อมคลายจากกิเลสทั้งหลายสภาวะจิตของเราทั้งหลายตั้งปวงนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะขาดสติของความเป็นมนุษย์ หลุดพ้นไปในอบายภูมิเป็นภูมิของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซ้ำไปก็ซ้ำมาก็คือความคิดแล้วก็การกระทำการกระทำทุกอย่างในหน้าที่ของสัตว์โลกนี้ ล้วนแต่เกิดมาเพื่อจะได้พบกับพิบากกรรมพิบากกรรมก็เกิดจากทางกายทางวาจาและก็ทางใจนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราไม่รู้ลึกซึ้งไปถึงจิตใต้สำนึก การนึกการปรุงแต่งก็เปรียบเสมือนการเป็นเครื่องชักจูงชักจูงความคิดความนึกให้ลงลึกตื่นหนาบางตามสภาวะที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิต ชีวิตของคนเรานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่แบบโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเรานั้นตกอยู่ในภูมิภพของสิ่งใดใจของเราเนี่ยหมกมุน่นไปตามสภาวะอารมณ์ที่ปรุงแต่ง จิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นบุญกุศลก็คือในขณะนี้เช่าๆอย่างนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายได้พักผ่อนจิตก็คือการนอนหลับเรียกว่าการพักผ่อนทวารทั้งหลาย ในขณะที่เราพักผ่อนเนี่ยเปลือกตามันก็หลับปิดดวงตาเราทั้งสองหูก็ถูกปิดไปปากก็ถูกปิดไปทวารหนักทวารเบาก็ถูกปิดไปความรู้สึก ประตูนรกก็ปิดไปทันทีในขณะที่หลับแต่ทะวานของการเวียนว่ายของสภาวะลมก็คืออากาศเรายังหายใจเป็นปกติไม่มีวันหยุดตั้งแต่วันที่เรารู้สึกว่าเราจุติมา ในขณะที่เราจุติมานั้นร่างกายของเราก็คือธาตุดินน้ำลมไฟรวมทั้งอากาศธาตุได้แปรปวนมาตลอดตั้งแต่อารมณ์แม่แม่มีความรู้สึกอย่างไรเราก็ต้องรับความรู้สึกอย่างนั้นแม่มีความหนาว มีความร้อนมีความอึดอัดนังเลใจจิตของเราก็สัมผัสด้วยสัญญาคือความรู้หมายจำที่ใช้อากาศร่วมกับแม่ใช้อาหารร่วมกับแม่ใช้การเวลาร่วมกับแม่ถึง9เดือน10บเดือนก็มี ในเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยเราได้ใช้ความรู้สึกสัมผัสถูกต้องจินตนาการต่างๆนาน า, นาแปลสภาพจากก้อนเลือดจากตัวสเปิร์มของพ่อเนี่ยวิ่งเข้าไปในรังไก่เหมือนเหมือนไก่เนี่ยมันไข่ออกมา มันก็ฟักแม่มันก็อบอยู่อย่างนั้นนอบจนแบบตัวเองนั้นพร้อมเลยอาหารที่สะสมไว้ในตัวแม่ก็คือไขมันโปรตีนต่างๆก็เหมือนกับแม่ไก่ก่อนที่จะไข่เนี่ยก็จะต้องมีร่างกายอุดมสมบูรณ์กักตุนอาหาร เมื่อใครครบ8ปดลกเก้าูกสิบูกบางตัวก็ถึงสิบสองกถึงสิบห้ากอาจจะไม่เกินหรืออาจจะไม่ขาดเพราะฉะนั้นการเกิดของเราเนี่ยตั้งแต่พ่อกับแม่เนี่ยได้มีราคะกามราคะ ได้มีการร่วมเพศกันก็มีการจุดติตัวสเปิร์มของพ่อเนี่ยก็คือตัวอสุจิเนี่ยที่นั่งอยู่นี่แหละรวมทั้งหลุงพ่อด้วยพ่อนี่ก็หลังตัวอสุจิตัวสเปิร์มเนี่ยหลายล้านตัวมากสองสามล้านตัว เราเป็นบุคคลที่ไม่ทราบว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายที่ได้วิ่งเข้าสู่รังไข่ของแม่จึงมีปฏิกิยาของภูมิพบในการเกิดก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดแล้วก็จะต้องตายเหมือนกับเราจุติครั้งแรกเลย เราจุติครั้งแรกเนี่ยสามร้านกว่าตัวเนี่ยพี่น้องของเราที่เป็นตัวสเปิร์มเนี่ยออกจากพ่อเนี่ยเราได้จุติอยู่ตัวเดียวอีกสองร้อยกว่าร้านตัวเนี่ยก็ตายไปก็เหมือนเราจุติเพื่อมันจะตายไป แต่ในขณะที่ญาติพี่น้องของเราที่ตายลงไปเนี่ยก็ไม่กี่วันเองสองสามวันมันก็ตายแล้วทำไมจึงเกิดมากนะมีญาติมากญาติของเราเนี่ยมีตั้งสองร้อยสามร้อยล้านตัว แต่เราได้เกิดมาตัวเดียวที่นั่งอยู่ในขนาดนี้ในขนาดจุดติอยู่ในรังไข่ในไข่ของแม่เราก็ไม่รู้อะไรเลยค่อยๆแปลสภาพเหมือนกับไก่ที่มันฟักไข่ตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบที่เก้าใบที่สิบ บางคนก็9เดือน10บเดือนบางคนก็11เอดเดือนก็มีช้างนี่ใช้เวลานา น, านที่สุดในบรรดาสัตว์ตัดลงมาก็เป็นวัวเป็นควายเป็นมนุษย์ที่มีการท้องเนี่ยนานที่สุด คนที่หิ้วกระเป๋าหรือว่ามีมีสิ่งอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราเช่นเสื้อผ้าเราใส่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ถอดเลยเนี่ยเก้าเดือนเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันจะหมักมอมแค่ไหนมันจะค่อยๆกลมกลืน ความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาแต่คนที่ไม่ธรรมดาก็คือแม่นะแม่ของเราเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มีสารอาหารกินให้อิ่มเข้าไว้คนที่มีท้องในร่างกายก็จะอุ ด, ดมสมบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปัง่ง หน้าตาสดใสจะทานอาหารเนี่ยหลายเท่าตัวทีเดียวเพราะจะต้องทานเผื่อเจ้าตัวน้อยเนี่ยในขณะที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็มีพิบากกรรมกับแม่แล้วเกิดมาแล้วเนี่ยค่อยๆแปลสภาพจากก้อนเลือดก็มีหูมีตา มีเพศมีอาการสามสบสองมีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำลมไฟทุกคนก็คงเข้าใจแล้วว่าคืออะไรนักปฏิบัติทั้งหลายนี่เป็นการพิจารณากายในกายตั้งแต่จุติท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจ ไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้ว่าเกิดมาปุ๊บญาติพี่น้องเราก็ตายไปแล้วสองรอยล้านกว่าตัวก็คือสองร้อยล้านกว่าชีวิตสามรอยล้านกว่าชีวิตที่ติดตามเกิดมาพร้อมเราเนี่ยแต่เราโชคดีได้เกิดเราคิดว่าเราโชคดีนัมเบอร์วันเลย มาคนเดียวโดดเลยบางทีก็แฝดสองมาสองแฝดสามยังมีแฝดสี่ยังมีเลยในขณะที่เป็นก้อนเลือดก็เริ่มมีธาตุดินน้ำลมไฟแปรสภาพจากอากาศอาหารการเวลา โใหญ่จนท้องแม่เนี่ก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเราก็เริ่มมีปฏิกิริยาดิ้นแรงขึ้นมือก็งอกนิ้วก็งอกปากหูตาเท้ากระดูกก็ยืดยาวเอ็นก็ยืดกล้ามเนื้อก็ใหญ่ขึ้นว่ายอยู่ในน้ำนะโดยมีการมีน้ำคำัํา เด็กที่อยู่ในท้องนี่มันอยู่ในน้ำมีน้ำคล่ำคำว่าค่ํำนี่มันมืดไปหมดหนะ่อเย็นค่ํำแล้วรู้สึกมันมืดเราก็มีสายสะดือก็คือสายอาหารมืดมนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยใช้จิตสัมผัสสัมผัสกันลูกหิวแม่หิว ะระบบขับถ่ายอากาศอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการหมุนเวียนของร่างกายเนี่ยต้องกลืนกลมกับพ่อกับแม่ต้องใช้ชีวิตกับแม่เด็กเนี่ยเขาเอาไปไว่ายน้ำพอคลอดออกมาเนี่ยมันก็ว่ายน้ำใหญ่เลย เมื่อเราเนี่ยครบวงจรเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วมีมืดก็ต้องมีแจ้งนะที่เขาบอกว่าไปแจ้งเกิดไงเมืนะ่อเรามามืดเกิดแจ้งในสภาวะที่เราอยู่ในน้ำเนี่ยท่านทั้งหลายเด็กก็มีตัวเหี่ยวยน่นเะมื่อเราแช่น้ำนานๆเนี่ย ตัวก็เหี่ยวย่นหนังเราเนี่ก็น่าเกียดมากหน้าจังไม่เป่งปังเหีียวย่นเหมือนคนแก่เลยตาก็เหี่ยวย่นจมูกปากหูนี่ก็มีรูปเท่านั้นเองดูเหมือนยังไม่สวยวันงามงงเหมือนในปัจจุบันเมื่อมามืดเกิดแจ้งนะไปแจ้งเกิดแล้ว ความสมุติในชีวิตเราเริ่มเกิดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ชื่อว่านางนเด็กหญิงดอยอแปลว่าเด็กหญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เด็กชายดอชแปลว่าเด็กชายพ่อแม่ก็ปูย่ย่าตายายก็พยายามชื่อ ตั้งชื่อที่เป็นมงคลชื่อในสมบัติมั่งนายเจริญมั่งในบุญธรรมในธรรมจักนในแก้วแหวนเงินทองชื่อเพาอะทางนั้นสมมุติอันดับแรกก็สมมุติเพศก่อนตัวดำหน้าก็ดอชอดอยอ พอในขณะที่เราไม่เคยเห็นหมกมุ่นดากความมืดนะอยู่ในโลกของท้องแม่เนะี่ยอยู่ในมดลูกเนี่ยตัวเล็กๆอยู่อยู่ในน้ำแล้วก็จากตัวเปียกก็มาเป็นตัวแห้งนะค่อยนึกตามไปตัวที่เคยเหี่ยวยน่น ไม่เคยได้ออกได้เดินได้พลิกได้กิ้งได้งายไม่เคยสัมผัสความแห้งแห้งจากเปียกเราก็แห้งพอผิวพันธุ์เราแห้งขึ้นเนี่ยถูกอากาศข้างนอกเนี่ยผิวเด็กเนี่ยก็ค่อยๆพ อ, อ, องขึ้นจากเขียวนี่ยมันก็พองขึ้นขยายขึ้นเป็นเต่งตึ จากความเปียกหรือความแห้งเนี่ยมันก็มาเปียกที่ผิวหนังผิวหนังเนี่ยก็เริมแต่งตึงด้วยธาตุน้ำแต่ในขณะที่อยู่กับแม่เนี่ยเราก็อาศัยน้ำคัำ่มน้ำของแม่นั่นเองที่อยู่ในท้องท่านทั้งหลายค่อยค่อยพิจารณาไปจากเหี่ยว เพราะอยู่ในน้ําออกมาเนี่ยก็เต่งตึงเพราะว่าร่างกายเราเริ่มดื่มนม้ําดื่มสารอาหารก็คือนมแม่จากที่เคยทานทางสายสะดือเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วมาทานทางปากในขณะที่ทานในจระทางสายสะดือเนี่ย ไม่ต้องรับผิดชอบในการย่อยไม่ต้องรับผิดชอบมาหนักเบานะไม่ต้องรับผิดชอบทางหูตาลิ้นกายจมูกกินก็นอนอย่างเดียวดินก็ต้องก็แเด้วเหมือนนกหนูกาไกา่เหมือนมแมลงที่มันตกอยู่ในน้ำแปรสภาพจาก ตัวสเปิร์มก็ามาเป็นเป็นรูปก่อนรูปของเผ่าพันุ์เรียกว่ากรรมพันุ์ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนแม่บ้างเหมือนพ่อบ้างเหมือนปู่ย่าตายายเรียกว่าพันธุ ก, กรรมการพันเนี่ยก็คือกายพันธุ์นั่นเองเมื่อเรากายพันธุ์แล้วเนี่ยเผ่า พ, พันธุ์พ่อกับแม่ผสมกัน ตระกูลพ่อตระกูลแม่ก็มีพันธุ ก, กรรมก็คือเรานี่แหละเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกแช่อยู่ในน้ําก็เหมือนมเมล็ดพืชเลยถ้าไม่มีน้ําไม่มีแสงแดดไม่มีความชื้นไม่มีความร้อนไม่มีอุณหภูมิที่ดีเนี่เขาอยู่ไม่ได้มันก็ตายไปไม่งอกไม่งาม ไม่เกิดต้นไม่เกิดเผาพันธุ์แต่เราได้เกิดเหมือนต้นโพเนี่ยเวลามันออ ก, ออกผลเนี่ยถ้ามันขึ้นทุกผลเนี่ยโอ้โหวัดอิติสุขโตนี่ก็คงหาที่ให้ต้นโพในยอยู่ไม่หวัดไม่ไหวรูปโพเนี่ยมันร่วงหมดเต็มหมดเลยเยอะมาก แต่มันต้องอาศัยนกเออเห็นไหมอาศัยต้นตัวเองเนี่ยเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้ต้นโพนี่มันเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยนกนกไปทานนกเนี่ยก็จะหลังสารในในน้ำย่อยเนี่ยก็จะมีสารตัวหนึ่ง ที่ไปกระตุ้นเซลของเม็ดโพให้มีมเมร็ดพันธุ์วราถ่ายออกมาเนี่ยนกะก็จะต้องพาบินไปบินไปขี่ไปบินไปถ่ายไปกินทุกวันทุกวี่กินกว่าโพลูกโพนั้นมันจะวายไปนกินเป็นเดือนสลับไปสลับมา นกร้อยตัวจะเกิดต้นโพซักต้นหนึ่งเนี่ยก็หายากถ้าว่าเกิดมาเสียเปล่ากินไปก็สูญเปล่าเหมือนมนุษย์เราเลยมามืดพอแจ้งเกิดปุ๊บเด็กก็มีความปวดแสบร้อนมเมร็ดพันธุ์ก็เหมือนกันพืชเนี่ย พอถูกความชื้นเปือกที่แข็งๆที่หุ้มจาวอยู่เนี่ยก็ยุ่ยแตกอากาศอาหารแระธาตุในดินเนี่ยโดยธรรมชาติเป็นพันธุกรรมของพืชนั้นนั้นก็ทาหน้าที่จเจริญเติบโตโดยการดูแลของธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟ รวมทั้งอากาศอาหารก็คือปัจใจสีนั่นเองแต่พืชนี่มันโตอเองมันอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะต้นโพต้นไซประดูยางเราขึ้นเขาไปทุกวันเลยเห็นต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือเปล่าไม่มีข้างล่างก็มีหญ้าเกิดขึ้น มีพืชเกิดขึ้นถ้าจะพืชก็คุมดินให้ฉับให้ชุ่มชื้นเพื่อจะให้ต้นเมล็ดพันธุ์ต่างๆบนต้นไม้บนต้นเขาเราเนี่ยบนเขาเราเนี่ยมีไม้นานาพันเลยอยู่ต่ำบ้างเป็นเถาบ้างเป็นต้นใหญ่บ้างต้นเล็กบ้างเป็นหญ้าเป็นพืชต่างๆ ที่ทำหน้าที่ปกป้องตามสถานภาพเรียกว่าธรรมชาติธรรมก็คือธรรมชาติเริ่มแรกพ่อแม่ก็ปกป้องลูกเกิดมาจากพ่อกรรมกา ร, รมก็คือการยินดีกรรมก็หมายถึงว่ากา ร, รมตันหาก็หมายถึงค้นหาทางออกไม่ได้ มันตันหมดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยก็จะต้องกากกรรมหินเนี่ยมันมันกว่าจะพังทลายลงมาได้เสื่อมได้ภูเขามันต้องใช้เวลาเป็นหมืน่นหลายหมืน่นหลายแสนหลายลาย้ลานลา้ลานปี ไหลกลับไหลกันนั่นเองของเราเนี่ยแค่สองหมื่นกว่าวันไม่เกินสามหมื่นวันอ่ะก็เสื่อมสลายแล้วธาตุดินธาตุกระดูกของเราก็คือเสื่อมแล้วเสื่อมก่อนภูเขาเสื่อมก่อนต้นไม้แต่ก่อนที่จะเสื่อมเนี่ย ก่อนที่จะโสมเนี่ยต้นไม้ก็เหมือนกับพืชล้มลุกต้นใหญ่ก็ต้องร้มไปลาบลงไปกับพื้นไอ้ต้นเล็กก็กินต้นใหญ่ก็เหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กจะกินต้นใหญ่มันก็ไม่ได้กว่าต้นเล็กมันจะโตต้นใหญ่มันก็คมอยู่นั่นแหละ แต่ต้นเล็กเนี่ยไปห้ามความเจริญเติบโตไม่ได้ต้นใหญ่เมื่อเจริญเติบโตถึงที่สุด mm. ก็จะมาเป็นต้นเล็กอีกก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนการเวลาชีวิตเราก็เหมือนกันคิดแล้วนำเดินชีวิตมาแล้วจะย้อนถอยออกไปเป็นเด็กเกิดใหม่ก็ไม่ได้ก็จะต้องรอความตาย ไปคิดมาวนไปเวียนมาสมถะก็คือการพิจารณากายในกายเมื่อเราเกิดมานี่ไม่รู้เหตุรู้ผลเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นบุคคลเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามากกว่าเนื้อกว่าอื่นหมืน่นใดกับสัตว์แมลงต่างๆสามารถมีความคิด เอาชัยชนะต้นไม้ว่าใหญ่มนุษย์ก็โค่นลงได้ชั่วพิษตาช้างว่าตัวใหญ่มนุษย์ตัวเท่ามดสามารถนำช้างมาเลี้ยงมาใช้งานมาเป็นฆ่าทาตบริวารได้แสดงว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถหลายอย่าง มนุษย์ก็เช่นเดียวกันก็ลองเปรียบเหมือนมนุษย์เนี่ยเกิดมาก็มีกลิ่นตัวหลายอย่างมนุษย์เกิดมาในเนื้อผิวพันธ์เผ่าพันธ์เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็ต่างพ่อต่างแม่บางคนก็ต่างพี่ต่างน้องบางคนก็เหมือนพี่เหมือนพ่อเหมือนแม่แต่ว่ากลิ่นตัวเนี่ยแตกต่างกัน แสดงว่าเรามาเนี่ยในขณะที่จุติเนี่ยมีกรรมติดตัวเรียกว่าติดจรวดมาแล้วเหมือนมีกรรมที่มันก็คือเงาตามตัวมาเราเนี่ยจะคิดปรุงแต่งตามสภาพกรรมมีการกระทำก็คือกรรมก็คือการกระทำใครมีกรรมหนักก็ ค, คิดหนัก ใครมีกรรมน้อยก็คิดน้อยใครมีกากรรมทางกายก็ป่วยไข้ต้องกินอยู่กินยาใครมีกรรมทางใจก็มีความทุกข์ใจใครมีกรรมทางวาจาก็ถูกนินทาด่าว่าอยู่เสมอเขาเรียกว่าวาจีกรรมมโนกรรมกายกรรม จะทําให้เราเนี่ยเกิดทุกข์ทุกตัวนี้ก็คือไม่สามารถผักออกจากความรู้สึกของเราได้คนเป็นโรค ก, ก็มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นโรคคนไม่เป็นก็ไม่เข้าใจก็ได้แต่พูดคุยกันอธิบายกันนักปฏิบัติทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจในส่วนที่หลวงพ่อพูด เพราะว่ามันคดไปเขี้ยวมาสลับปรับเปลี่ยนความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้มีสติแล้วผู้มีปัญญาก็ค่อยคอย ค, อยคิดตามไปโอ๋นออเออตั้งแต่เราเกิดอยู่ในท้องแม่มันก็มืดตลอดตอนเกิดเราก็ไปแจ้งเกิดพ่อแม่ไปแจ้งเกิดตามเพศนะ ตามสัดส่วนที่เห็นจากที่เหี่ยวก็เต่งตึงจากที่เราเคยอยู่อบอุ่นสบายอยู่ในโลกมืดไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะว่าพอแม่แม่เป็นผู้ลับไปพอออกมาตัดสายสะดือเราเริ่มรู้จักร้อนปวดแสบปวดร้อนผิวหนังเด็กเกิดใหม่ๆตัวไหมแดงไปหมดเลยเร้อ ต้องเอาผ้าห่อกันตาก็ต้องหาอุปกรณ์เช็ดหูก็ต้องเช็ดตัวเป็นคาบเลยรอกคาบเ็าเรียกรอกคาบเหมือนเราไปอยู่กลางแดดมากๆเนี่ยแสงแดดมันเผาเราเนี่ยจนผิวหนังนี่รอกเลยรอกรอกคาบเลยก็เหมือนกันโรคมันก็ออกจาก ที่มืดมาสู่ที่แจ้งโรครอเรือเนี่ยก็คือร้อนนะเรือมันต้องเอาไปที่ไหนสร้างเรือเอาไปลงน้านะเราออกจากน้ําค่ำแม่จากมืดค่ำแจ้งแล้วก็ต้องหาฝั่งขึ้นวันนี้เนี่ยเทศนาเรื่องของธรรมชาตินะเรื่องของสัจจะคือความจริง ธรรมคือธรรมชาติคนที่แตกฉานในเรื่องของธรรมยอมแรงเห็นเหลือปลิ้นไรมาแรงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธัญญาพืชธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เนี่ยก็ต้องแตกฉานในความคิดรู้เห็นรู้เหตุรู้ผลเมื่อเราเกิดขึ้นเเราไม่รู้เหตุรู้ผล ผลของการปฏิบัติเรียกว่าผลมันก็ต้องมาจากเหตุมีปัจจัยเรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คือมีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อาหารเรียกว่าปัจจัยสี่ร่างกายเราก็อาศัยปัจจัยสี่ขาดดินก็คือ เราเกิดมาบนแผ่นดินเราก็ต้องอาศัยแผ่นดินนะถาดน้ำเราก็อาศัยอากาศที่น้ำฝนมันตกลงมาในโลกนี้ก็มีน้ำมากกว่าดินอีกนะน้ำานี่มันก็เป็นการรอเรี้ยงโลกให้เกิดโลกเนี่ยที่ร้อนให้มันเย็นพอดนะีถาดไปก็คือพระอาทิตย์ทำให้ร้อนฆ่าเชื้อโรค เราก็ย่อยอาหารนักปฏิบัติทั้งหลายเรานั้นได้เรียนรู้เรื่องสมถะก็คือการพิจารณากายในกายแต่เราไม่ได้นึกลึกเข้าไปว่าการปฏิบัติ เ, เราต้องอยังรู้ไงพระพุทธเจ้าใช้คำว่ายัางรู้ เมื่อเราอย่างรู้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่รู้เหตุรู้ผลเราจะตัดสรู้ได้ยังไงตรัสก็คือพูดออกมาแสดงออกมาให้เห็ น, นก็ชีวิตเราเนี่ยจากที่ไม่รู้อะไรเลยพ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสิ่งที่เราไม่รู้ มันก็สอดคล้องกันไหมสอดคล้องกันเป็นรูปเป็นนามเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเราไม่รู้เหตุเราก็ไม่รู้ผลเมื่อเราไม่ได้รับคำสั่งสอนเกื้อกูลจากพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรคือธาตุดินไปถามฝรั่งอะไรคือธาตุน้ำอะไรคำว่าตัดสรุ ไม่รู้เลยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะหลุดพ้นห่างไกลจากกิเลสจากความชั่วอยากได้อย่างไรคําว่าตัดสรู้ตัดสรู้รนิพพานนิพพานก็แปลว่าดับไม่มีเชื้อก่อนที่เราจะดับเนี่ยก่อนที่เราจะตายเนี่ยเรารู้เหตุรู้ผลของคุณงามความดี ความดีความชั่วเรานี่ไม่รู้เลยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยกรรมก็คือการกระทําถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ผลเราก็กากรรมย่ำบนเบียนไปอะไรคือปัจจัยสี่อะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลอะไรเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนทำไมเราต้องหายใจเข้าทำไมเราต้องหายใจออก ตอนหายใจเข้าเราทำไมเอาของดีเข้าออก็คืออากาศออกซิเจนอะไรที่เข้าปากเราเนี่ยทำไมเรานึกว่าของดีแล้วก็ปรุงแต่งลถทำสีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกัดเคี้ยวกืนเข้าไปแต่เราไม่รู้เลยว่าอาหารนั้นก็คือชีวิตผู้อื่น อาหารนั่นก็คือความยากลำบากของคนอื่นเมื่อเราเอาของดีเข้าตอนหายใจออกก็เอาของไม่ดีออกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เวลาเราถ่ายออกที่เรากัดกืนเข้าไปก็คืออุจจะปัสวะมันของดีไหม เช้านี้คิดว่าของตัวเองกัดกินกืนของดีเข้าไปก็กินขี้ซะเต็มต่อเช้าเนี่ยเเดี๋ยวลงไปก็กินขี้กินเยี้ยวก็คือปัสสาวะเนี่ยไม่ต้องไปบินธบาดและไม่งอใครและ้ะของดีทั้งนั้นในตัวกวูเสียกว่าตัวกูของกูไงแต่ถ้าเกิดกัดกินของหยาบ นึกว่าของดีถ่ายออกมาก็เป็นของหยาบเขี้ยวไม่ละเอียดสิ่งที่ดีร่างกายก็เอาไปแล่า ต, ต่างๆทําให้เกิดมีกําลังทําให้เจริญเติบโตนี่คือธรรมธรรมก็คือธรรมชาติเรียกว่าสัจจะคือความจริงเรียกว่าสัจธรรมเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลของการเวียนว่ายตายเกิด รู้เหตุรู้ผลของสัจธรรมว่าสัตว์ทุกอย่างมีหน้าที่เกิดเพราะกรรมกรรมที่มาจากมืดมนหม ด, หมดแล้วก็มาแจ้งเมื่อเกิดแจ้งแล้วเราต้องทำหน้าที่ลืมตามาเพื่ออะไรมองเห็นได้ยินเนี่ยเพื่ออะไรพูดกันไปเนี่ยเพื่ออะไรเมื่อเรากินของหยาบแต่เก็บของสมมุติ สารอาหารที่ร่างกายของเราเนี่ยเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวิตามินบีหนึ่งถึง b 1สถึงบีสอะไรเนี่ยนะวิตามิน A อบีเนะที่ก็บอกกันหมอเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราขาดแแทาธาตุอะไรบ้างในตัวเรามีาธาตุมีแแทาธาตุเงินทองสังกะสีดีบุก เหมือนกับโลกโรคภายนอกเลยร่างกายเราก็กินแร่ธาตุจากพืชที่สังเคราะห์จากแร่ธาตุพวกนี้มานะร่างกายเราก็กินแต่สารอาหารแร่ธาตุกากมันก็ก็คือขี้เรานั่นเองนี่คือโรคภายภายนอกที่เราเห็นก็คือสิ่งหยาบแต่สิ่งที่มันเป็นละเอียด เป็นระ อ, องเนี่ยที่เรามองไม่เห็นในบ ร, บรรยากาศเนี่ยในบรรยากาศ ก, าศก็มีไอ้น้ำมีเชื้อโรคแล้วในจิตวิญญาณของเราเนี่ยที่มองเห็นได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกกรรมเนี่ยมันก็ชักจูงให้เรานึกปุงแต่ง นึกได้คิดไม่ออกก็คือตัวโง่เพราะเราไม่รู้เหตุผลเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลคิดได้นึกออกแก้ไขสถานการณ์ได้ก็รู้สึกสบายใจมันไม่ง่ายเหมือนกับเรากินนะเรากินยังถ่ายออกได้หายใจเข้าเอาอากาศที่ดีหายใจออกเอาอากาศที่เสียออก กินถึงจิตใต้สำนึกเนี่ยมันลึกมากเหมือนคำโบราณบอกว่าจิตใจคนเราเนี่ยยากที่จะหยั่งได้ทะเลว่าลึกแล้วเรายัางหยั่งได้แต่จิตใจคนเราเนี่ยหยั่งไม่ได้ไม่สามารถจะรู้ตื่นลึกหนาบานในความรู้สึก เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินทางนึกการปรุงแต่งเนี่ยนี่แหละเราจะกืนสวรรค์หรือจะกืนนรกเข้าไปเมื่อกืนเข้าไปแล้วเนี่ยมันถ่ายยากมากไม่เหมือนเรากัดกินอาหารเนี่ยกัดกินได้ถ่ายได้ทาไมถ่ายก็ไปหาหมอพอร้อนก็ไปอาบน้ํา ปวดหนักปวดเบาก็เข้าห้องน้ำแต่อการกลนกินของสมมุติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ใช้ปรุงแต่งเอาคายยากนะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนคนโบนราณเขาบอกว่าวันนี้นับว่าเป็นบุญมหาศาลที่เราได้เห็นสัจธรรม การสอนธรรมในวันนี้ก็เทียวกับเทวดาเทศนาธรรมรู้จากธรรมชาติรู้เหตุรู้ผลเปรียบเทียบถึงโรคภายนอกเปรียบเทียบเหมือนโรคภายในเปรียบเหมือนสติคือความรู้ตัวคือสมถะแถมมีวิปัสสนาก็คือมีปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารเราไม่รู้เหตุรู้ผล วันนี้ลุงพ่อเทศนาด้วยเหตุและผลบอกด้วยสติปัญญาว่าเรามาจากที่ไหนเหตุเกิดเพราะอะไรเรากัดกินเพราะอะไรกินเพราะอะไรปัจจัยสี่เพราะอะไรเมื่อเรามีปัญญารู้เหตุกินของหยาบคายของหยาบแต่ของสมมุติที่ละเอียดมองไม่เห็นเนที่เราสมมุติกันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรัก ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เกิดทุกข์จนทุกข์ถึงอกจะแตกตายเราก็เพิ่งรู้วันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์อยู่กับกิเลสกิเลสก็คือความสมมติกิเลสกรรมกรรมก็คือกากกรรมในสิ่งที่สมมุติปรุงแต่งนั่นเองช้าๆอย่างนี้ก็คาดว่า คงจะได้สติปัญญาอย่างมหาศาลเมื่อเราเกิดสติมีความรู้ตัวรู้เหตุรู้ผลปัญญาก็คือความรอบรู้ในตัวเองขาดว่านักปฏิบัติทั้งหลายจงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มากก็น้อยด้วยเหตุและผลก็ขอเจริญพรนิมลครับ